ขอเสถีจะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยเพราะเพรา ะ, เพราะว่าโดยทําความติดหวังมาให้ถึงเดือนกว่ามันเทติทําความติดหวังตามกําหนดว่าจะมาพูดแล้วไม่ได้มาก็หนึ่งจากติดขัดการสอนบรรยายที่มหาวิทยาลัยสงฆ์หนื่งจากข้าหาว่าวันใดเป็นวันหยุดตรงกับวันพระวันนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดสอนชดเฉยในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเมื่อเดือนที่แล้วทั้งเดือนจึงขาดที่จะมาแสดงธรรมะ สถานะสถานที่นี้ในวันนี้หัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าสุนทริยภาพในพระพุทธศาสนาซึ่งจะได้นําสิ่งที่เป็นสุนทริยะในพระพุทธศาสนาเท่าที่เห็นว่าเป็นจุดเด่นและเป็นข้อสําคัญที่ควจะกําหนดรูปมาบรรยายเล่าเป็นตอนๆไปเฉพาะในวันนี้ก็จะขอบรรยายตอนที่หนึ่งเกี่ยวกับสุนทริยะในพระพุทธศาสนา คำว่าสุนทริยะนี้ศิลปินได้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่น่อมีสุนทริยะในตัวถ้าหากว่าเราผู้ดูเป็นผู้เข้าใจมองไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เป็นสุนทริยะอันนี้ก็พูดไปตามภาษาของนักศิลปะที่มองทุกอย่างเป็นสิ่งเหมือนกับธรรมะก็เหมือนกัน ผู้ที่เป็นนักธรรมะย่อมมองเห็นความเป็นไปต่างๆในโลกทุกแง่ทุกมุมเป็นคติธรรมได้ท่านจึงเปรียบเหมือนกับแพทยแพทยแผนสมัยโบราณอย่างหมอชีวกถูกสงไปเรียนวิชาแพทยที่มหาวิทยาลัยปัตติลาก่อนจะจบหลักสูตรรับปริญญาของแพทยจากสำนักอาจารย์ได้สั่งให้หมอชีวก ไปดูไปดูบรรดาต้นหมากรากไม้ในป่าว่าต้นหมากรากไม้ชนิดใดฟังที่ทำยาไม่ได้ที่มาประกอบเป็นสมุนไพรรักษาโรคใดๆหมอชีวกรับคําสั่งอาจารย์แล้วก็วไปเที่ยวดูต้นมไม้ในป่าทั้งหมดปรากฏว่าทุกต้นเป็นยาได้ ห, ดหาต้นไม้ที่ทํายาไม่ได้ไม่เจอ กลับมาเรียนอาจารย์ว่าไม่มีเลยต้นไม้ในป่าทุกต้นเท่าที่ผ่านเท่าที่ดูอู้วันมีสรรพคุณทั้งนั้นอาจารย์จึงได้มอบริญญาให้วาถ้าเช่นนั้นเธอก็สําเร็จวิชาแพทยจากส น, นักชั้นแล้วนี่เป็นการทดสอบให้เกิดเอ็กซ์เพรียขึ้นในตัวเพราะผู้ที่จะรู้หลักเียุทฤษฎีอย่างเดียวนะ่ะไม่เพียงพออาจารย์จึงได้ทดสอบความรู้ยุทธทีของหมอชีวก ด, ด้วยการใช้เอ็กซ์เพรียน ซึ่งหมอชีวกข้าไม่เก่งจริงแล้วก็ไม่สามารถมองทะลุถูกโกงถึงคุณประโยชน์ของต้นมหาตราไม้ทุกชนิดในป่าได้เมื่อรู้ว่าต้นมห า, ากราไม้ทุกชนิดในป่าเป็นยาได้อิ่งชื่อว่าหมอชีวกนั้นจบแทพทยศาสตร์โดยสมบูรณ์แล้วอาจารย์จะได้มอกเป็นยาและสําเร็จกลับมาเป็นหมอหลวงประจําพระเจ้าพิ่นพิสารต่อไปต่อมาก็ได้เป็นหมอหลวงประจํำองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคด้วย นี่คือเรื่องหมอชีวกคือเรื่องหมอมองทุกสิ่งท้กไม้ทุกคนเป็นยาได้ฉันได้นิสิติณย่อมองทุกสิ่งเป็นสุญธริยะได้ฉันนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสุญธริยะในตัวการมองธรรมะให้เป็นสุญธริยะไม่ใช่ว่าเราแส่งมองที่จะให้มันเป็นแต่มันเป็นไปดูธรรมดาของธรรมะนั้นอยู่แล้ว เพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องสําหรับข้อปฏิบัติของชีวิตการครองชีวิตนั้นจะต้องมีศิลปะผู้ที่ครองชีวิตโดยไม่รู้จักการใช้ศิลปะนั้นผู้นั้นจะไม่ประสบความสําเร็จของชีวิตไม่ประสบความสุขของชีวิตแต่ถ้าผู้ใดรู้จักการใช้ศิลปะในการครองชีวิตแล้วผู้นั้นจะได้ประโยชน์จากชีวิตและความสุขจากชีวิตอย่างมากมายก็เมื่กธรรมากเป็นคุณสมบัติของการครองชีวิตเช่นนี้ ธรรมะจึงชื่อว่าเป็นสุนทริยะในตัวไม่ว่าเราจะมองในมุมใดมุมหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งเราก็จะประสบพบเห็นสุนทริยะในพระพุทธศาสนาเสียทุกดาศเพราะฉะนั้นคําว่าสุนทริยะในที่นี้ไม่ได้จํากัดหมายเพียงแต่เรื่องของศิลปะวัตถุการก่อสร้างเช่นวัดวาอารามหรือพระพุทธปฏิมามีด้แต่หมายถึงตัวธรรมะอันเป็นคุณสมบัติในการปฏิบัติด้วยในศิลป์ด้วยพกครองสุนทริยะในพระพุทธศาสนานี้มีสองชั้น ชั้นนอกหมายถึงสงริยะทางด้านวัตถุเช่นการต่อสร้างวัดวาอารามพระพุทธปฏิมาลวดลายศิลปะต่างๆส่วนด้านในนั้นหมายถึงตัวธรรมะโดยตรงคราวนี้เมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจํานวนมากการที่เราจะศึกษาศิลปะในะศาสนานั้นเราก็ต้องแยกประเด็นในการศึกษาประเด็นเดนแรกแรกที่ผมอยากจะนํามาพูดก็คือว่า ศูนย์ภริยะในด้านชาติภูมิของพระพุทธองค์นี่เป็นข้อที่หนึ่งศูนย์ภริยะในด้านชาติภูมิของพระพุทธองค์นั้นเราพิจารณาชีวประวัติของบรรดา จ, จอมศาสดาที่เป็นเจ้าของศาสนาใหญ่ๆ ใ, ในโลกมาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าชีวประวัติของศาสดาบางศาสนานั้นเป็นไม่ได้ความเดือดเมื่อร้อนใจ มีความยากจนหมุนหมองมีชาติตระกูลที่ไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมบางคนก็มีอาชีพเป็นผู้นำทางในการค้าขายบางคนก็เกิดในสกุลที่ไม่มีโอกาสจะสูงเสียลูกให้ได้รับการศึกษาดีคือว่าเป็นเกษตรกรก็มีเป็นู้เลี่ยงปศุสัตว์ก็มีสิ่ง่าดรอมในประเทศท้องถิ่นนั่นก็เป็นประเทศ ที่เรียกว่าได้ในทางทพัฒนาอย่างภระาวกาุตเสียยนี้คือเป็นเมืองป่าเมืองดงอยู่ในท่ามกลางกะเลทายนี่เป็นชาติภูมิข้อบกพ้่องในด้านสุนทริยะที่เราเมื่อเปรียบเทียกบกับชาติภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วจะเห็นว่าต่างกันไกลทีเดียวอินเดียสอนพุทธการถึงพันปีเป็นยุคทองของความคิดบรรดานักระบเจ้าจรับที่ต่างๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงคิดนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่แต่ว่าบรรดา น, นักดาษเขาคิดกันมาก่อนตั้งพันๆปีแล้วแต่พระพุทธเจา้าได้ทรงพบความสําเร็จที่เหนือกว่ายิ่งใหญ่กว่าบรรดาชาติอื่นอันเป็นข้อที่ทําให้พุทธศาสนาแตกต่างกั บ, บนักพิเหล่านั้นนี่ก็แปลว่าพุทธศาสนาไม่ได้เกิดในบ้านขวามเมืองเขีอนชนิดที่ว่าอะไรก็ว่าตามกันทํำอะไรก็ทําตามกันโดยที่ ผู้ที่ทําตามนั้นไม่ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดที่ตัวเองไตรตรองมิได้แต่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในผ่ามกลางคนมีปัญญาคนฉลาดคนที่กขากำลังสกิดปัญหาชีวิตคนที่เขาต้องการค้นค้าหาความจริงจากชีวิตต้องการเหตุผลาการที่พรพุทธศาสนาได้รับชัยชนะจงกระทั่งสามารถตั้งเป็นาศาสนาหนึ่งเอกเทศต่างหากนั้นก็นับว่าเป็นสุนทริยะข้อหนึ่งของพุทธศาสนาในแง่ชาติภู เพื่อผู้ทิ้งประดุลในแง่ชาติภูมิเช่นนี้บางท่านก็อาจจะแย้งว่าก็แคว้นสักยะซึ่งมือเมืองกันละท่า์เป็นมือหลวงนั้นได้ความว่าเป็นมือขึ้นของแคว้นโอโสมิชัยอื่นการที่พระพุทธเจ้าท่านไปถือกระสูดในแค้นสักยะนั้นไม่เป็นเหตุให้เกิความด้ยในทางชาติภูมิหรือในข้อนี้เราตรวจสอบข้อพิสูจนะก่อนว่าอินเดียในครั้งโบราณ เขาไม่ได้ถือเรื่องเอกราชหรือมาอ้านอำนาจยิ่งใหญ่เป็นสําคัญเท่าเรื่องชาติวันเลยตรงกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลไม่จะเป็นผู้มีอํานาจราชสักการะใดแต่ถ้าตกในวั น, นา ต, ามมต่นตาําในสกุลต่ําบุคคลนั้นสังคมก็ไม่ได้การยกย่องโต้คูยมากมายนะนอกจากบรรดาบริวารที่ตกอยู่ในอํานาจของท่านผู้นั้นจะยกย่องด้วยความเกลงตัวในอิตริ ย, ยัติเพว่าในสังคมทั่วไปแล้ว เขาไม่ได้ยุกยงยกตัวอย่า ง, างเช่นพระเจ้าเสรที่กศลซึ่งฐานะก็เป็นมหาราชาธิราชองค์หนึ่งที่ได้รับสวยสาบรรณาการจากแ้นศาสยะแษ์แนศาสยะกษ์ะต้องสรงสวยคือราชบนรณาการให้กับพระเจ้าเปรี่ในขณะที่พระเจ้าเสรติเกิดมีความประสงค์ต้องการจะเป็นพญาตินสนิทกับพระศาวกดาถึงกับส่งพูดไปขอศาสยะกิดามาอภิเษกสมรสนั้น สภาเจ้าสากยะได้ตั่งข้อรังเกียจพระเจ้ในในาปกษตรธิวัฒน์เป็นคนวันณัตสังที่จะดิีดดีก็เพราะว่าบรรพบุรุษได้ทําการรัฐประหารอํานาจในประเทศนั้นแล้วก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นแต่ในทางชาติวันแล้วก็ไม่สมควรที่สักยะธิดาจะไปคืนอภิเษกสมรสกับคนวันนัตเช่นนั้นด้วยในที่สุดที่ได้ส่งลูกนางคาศีไปให้ไปถปึงเหศีข อ, องพระเจ้าเกษตรธิโดยตกปิดความจริงไว้ อันนี้จะเห็นได้แว่ากิจพิภูมิทางการเมืองนั้นไม่ใหญ่กว่ากิจพิภูมิทางชาติวันกิจพิภูมิชาติวันนั้นสูงกว่ากิจพิภูมิทางการเมืองกิจพิภูมิทางการเมืองกป็นเรื่องเพียังชั่วแรงเข้อมมาอันหนักแต่กิจพิพุมทางชาติวันนั้นสังคมอินเดียในยุกโบราณถือกันเป็นเรื่องเดียวกว่าชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวชั่วลูกชั่วหลานคือสังเบขึ้นสุดไปทีเดียวเพราะฉะนั้นการกิดกระเพื่อมีพระพระาทรงถือปฏิสุทธิในสัตยวงศ์นั้น กเป็นการุ้บควรแล้วเพราะว่าลูกปัจจัยทั้งคมอินเดียถึงเป็นพวกถือชั้นวรนละรุนแรงยอมยกย่องว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาทั้งฝ่ายบิดาสูงตั้งดับโคดขึ้นไปถึงเจ็ดชั่วโคดไม่มีการมัวหมองหรือสังคระด้วยการสมรสกับคนวรรณะอื่นเลยเป็นวรนละกษัตริย์ที่ถือมาจากสุริยวงศ์แทกษัตริย์โบราณที่อินเดียมีสองวงศ์ด้วยกันวงศหนึ่งเรียกว่าสุริยวงศ์วงหนึ่งเรียกว่าจันทรวงศ์ สุริยวงนั้นสือสายตรงจากพระเจ้าอิสวาสุหรือเรียกกันในภาษาบาลีว่าพระเจ้าโอตากราศ์จันทระองค์นั้นก็สืบสายมาจากพระเจ้ารามาจันท์คือพระรามในวรรณคดีรามเกียรติซึ่งเป็นตำแหน่งราชวงศ์กษัตริย์โบราณของวงศ์นี้นับถือกันว่าเป็นราชวงศ์ตัวอย่างในทางมีฤทธิ์ เ, เมื่อเชื่อถ่ายบริสุทธิ์และจัดสิดวงศ์ศักระเป็นสาขาหนึ่งของสุริยวงศซึ่งแยกไปตั้งแว่นแคร่นขึ้นในแผ่นดินจิมพานเพราะฉะนั้น เมื่อพระโกศิตว์ยังปฏิบัตอยู่ในสวรรค์ชั้นบุรษิก่อนหน้าที่หยีจะมาถือปฏิสงธิในโลกมนุษย์นั้นเมื่อเทวดาในแสนโกฏิขวานสาบปรูอันเชิญพระองค์จึงได้สแสดงปัญจวีรกะนะ่ะคิจเจรณาความเป็นไปของโลกตั้งแต่โลกทีจะทรงอุบัติประเทศที่จะทรงอุบัติสกุลที่จะทรงอุบัติแล้วก็พระพุทธวิดาพระพุทธมารดาที่จะเป็นของพระองค์ที่จะเข้าไปถูกว่าอุบัตินั้นเป็นลาดับชั้นลงไป พ่อคอตัวเรืก่าแฟนสักยักษ์หรือศักยวงศ์นี่แหละพ่ถือกันว่าเป็นวงศ์ที่มีชาติปิวันบริสุทธ์เป็นสาขาของสุรยิยวงศ์เพราะฉะนั้นกิตติภูมิามมทางการเมืองจึงไม้ยิ่งใหญ่สำคัญเท่ากับกิตติภูมิทางชาติปิวันเหตุนี้พระผู้มีพระภาคของเราจึงได้ขู่ตุบัติขึ้นในวงศักยะกษ์ในข้อนี้น่ะพวกพรามณ์ซ่เป็นเจะากเจ้จยยาหยาดในที่องระบบปัญญาเขาก็ ย, ยอมยกนิ้วให้ กยกตัวอย่างเช่นว่าโสมนทกรามโสมนทพรามนี่มีอายุตั้งร้อยกว่าร้อยี่สิบปีโสนนรรมนทพามเป็นผู้กินสวยเมืองจำปา น, นครก็เป็นเจ้าเมืองด้วยเป็นเจ้ารัที่ด้วยพอรู้กิตใจกับพระผู้ศึกษานำที่สุดโสมนุใหญ่มาพักอยู่ที่สะโบคารนีชื่อว่าคัพคราในแขวงเมืองจำปาโสคันทกรารมก็พานรกเทที่จะไปเฝ้าพระองค์แต่บรรดาบริว า, ารฮะหมอไม่ควรเพรโสนนรรมนัพักเป็นผู้ใหญ่ข้าวปู ข้าวูของพระมณะโคมแล้วะผเป็นันธาก็มีการที่เจ็ดชั่วโคตรบริ ษ, ษ, รษรุทธิ์ารนด้านานาดามิดาหรือนันธาก็เป็นผู้รู้จัการเพศสรลในพันธาก็เป็นผู้บิดมหาพรานใหญ่ในอินเดียเช่น ว, ว่าทานโุโศนีปราณตเยปาณจังกีปราณปุกระสาติปราณเป็นตนหรือเป็นขาขอาจารย์ทานุโคนันธะก็ยังเป็นคนที่พระเจ้าพิมพิสาย พระเจ้าก็เป็นที่ได้แสดงอัญชลีกรรมสาธุกิกัรมในถวายภูมิปภัยไว้ให้กับท่านเป็นจุินมงมากแม้แต่ผู้ที่เวลาตกใจอัญจาก็เปล่งคำบูชาออกมาว่าพระเจ้าขานทรมรรบ์ขันทมโสขันทพก็เมื่อขันทมโสขันทพบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติสิงารีนี้แล้วควรที่พระสมณพระโคดมจะเดินทางมาเฝ้ามาหาขันทานและนพมากกว่าที่ขันทุนและขันทพจะเดินทางไปหาพระสมณะโดม คนานพันธุกกาตินั้นเป็นทันดิเมื่คผูกูุกล้องยับยั้งด้วยการให้เหตุผลเชน่นนี้ท่านจึงชี้แจงให้อุกน้องทางลายฝังว่าเดี๋ยวก่อนท่านน้งควรส่นนควูยังรู้ค่าสมบัติของพระรมนะาโคโดมที่มียิ่งแต่เรายกตัวอย่างเช่นว่าพระตรมนะโคโดมนั้นท่านมีชาติดีคือเกิดเป็นชาติกษัตริย์ท่านเกิดในสกุลดีคือสักยศสกุลท่านเกิดโคดีคือโคตมะโคโคตมะเนี่ยคำว่าโคโคตมะไม่เดร้อรอก โูนักคูคูอย่างมันคงแปไปตามตัวหนึ่งศูนยะครับโคตธรรมะในที่นี้ปลาจะหลายหน่อยในย่าหนึ่งตอว่าดวงอาทิตย์อาทิตย์นีก็เรียกวโอตมะในย่าหนึ่งไมายถึงดอกบัวดอกบัวโอตธรรมะในย่าหนึ่งหมายถึงขด่ตอกทานตะวันในย่าหนึ่งไมายถึงดอกทานตะทานตะวันดอกทานตะวันนี่ก็เรียกว่าโอตมะในย่าหนึ่งหมายถึงหัว เาราะันโคตมะโคนีไม่เกิดการวว่ะแต่แปลว่ามีพระอาทิตย์เพราะคำว่าโคะมะนั่นแปลว่าพรอาทิตย์ก็ะดับแปลอย่างนี้โคตมะนาโคดมมือปีดาเลมานดาบริสุทธิ์เจ็ดชั่วโคตันระดับชั้นขึ้ไปไม่มีมึอทิ้งแปดเบื่องในทางเรื่องเนื้อเชื่อไข่โคตมะนาโคดมเป็นผู้มีความรู้หรือพร้อมด้วยวิชาเลจรณะคือรูะรู้ด้วยประพฤติตามสิ่รู้ได้ด้วย พนะระธรรมนตรอุดมเป็นผู้มีรูปนามมีผุ่นมีาิจาอ่อนหวานเป็นผูกล่าวประโยชน์เป็นผู้ทคำความบกบานใจแก่ผู้ข่าหาแล้วก็เป็นชณะของบรรดามหาพรามใหญ่ๆเช่นสารสูนิพามจังกีครามตูโทยพรามบุกระตาดิพรามมหาพรามเหล่านี้ก็เลื่อนถึงธรรมนตรอดมเป็นนะผู้ผ่นพระเจ้าแผ่นดใหญ่ๆ ท, ที่เขาจับเขเป่งผีโก้คนเาจับผีสารเจับอุเทน ก็ถึงพระธรรมะโคดมเป็นที่ื่นแม้ผิดิรดามี่ถ้าจะตุมมหาวข้าพักตรเขาถึงพระรรมะโคดมเป็นที่อื่นเพราะฉะนั้นควรที่ขวกเราจะเป็นฝ่ายไปหาพระธมะโคดมในฐานะที่พระธรรมะโคดมอุตสาไม่เยี่ยมบ้านมืองของเราเลยทีนี้นี่โรักันธ์ความความแกอ่อายุร้อยี่ปิตพูดกะลุกสิว่าอย่างนี้บรรดาลูกศิษย์ก็บอกว่าโอ้ถา้าพระธรรมะโคดมประกอบดสม บ, บัติดางที่ธจารณานามาแล้วอย่าว่าแต่ว่าท่านมาพักที่สวนบกขะรี เราดงไม่จำตาขังแขวนละครจำตาของเราเลยต่อให้ต้องเดินทางบอกคอนอาหารแบบคอนเดินทางร้อนแรงไปหาอีกไกลเอ่าไกลพวกเรารคุณจะขี้ขวายใคยกันลูกสิษว่าอย่างนั้นเรยนท่้อาจารย์ท่้งติดก็ตากันยกขบวนมาภาพระพุทธเจา้าลวนี่เป็นเรื่องเดธิ์ปีกศูนย์พระยาชา่างปีกมของพระพุทธเจ้าว่วาเขาะไม่มีึงได้ในภาคเหไื อย่างพวกเจ้วัดที่อื่นเจ้าศาสน า, าอง่นามีเจ้าศาสน า, าอืแลนะมีปุ่มได้เลบิดามารดาบ้างมีปุ่ได้เล่นใสกุลบ้านมีปุ่ได้รหลายอย่างเรื่อกับเรื่องเชื่อขายสิบางทีเกิดมาต่อฮะพ่อไปได้ดูรูก่อ น, าอ น, น, อนมารดาตัาง้งพันขึ้นมาอ้างว่าเป็นผู้ศักดิ์สิขึ้นมาบ้างบิดามายรับท่านผู้ น, นัน่นเป็นบูกบา้านแต่ทาา่านก็มีู้ลี้ภัก์มาจะติดบอกว่า ผู้นั่นแหละลูกขฉนเองอย่างนี้ก็มีคือมีบุ่มบออย่างนี้ที่จะให้ผู้ที่เขาไม่รู้เหงื่อสายฟั้งข้อหาท้วงติงระนานวัดอย่างนี้ก็ได้แต่สําหรับข้สาสน า, าของเรานั้นบุ่มได้ในเรื่องชาติปิภูมิไม่เลยอันนี้ก็เป็นศูนย์ทันยภาพประการแรกในบ้านชาติปภูมิประการที่สองศูนย์ทันยภาพในเรื่องอัตราประวัติส่วนตัว อันตราวัดตวงตัวนั้นถ้าเราจะพลัดหับชีวิตของเจราลัทธิปาสนาอื่นเจวาัทิบับงบางเจ้ัทธิตั้งลัทธิขึ้นมาด้วยอารมณ์สามประการคืออารมณ์โลภหนึ่งอารมณ์โกรธน่งอารมณ์เหงื่หนึ่งสังขอออารมณ์ โ, โนลภเป็ออโนโอะไรอยากจะได้ลาศคาระอยากจะได้บรรลยอิสรยิยยศอยากจะได้ยกย่องอยากได้ศาสนาก็ตั้งศาสนาหรือตั้งลัทธิขึ้นเื่อประยน ดังที่ว่ามานี้บางคนก่อนจะตั้งตัวบริาัทสนานั้นเป็นคนไม่มีอะไรเลยริ้วเลยไม่อะไรสำหรับตัวเลยแต่ท่านพอตั้งเป็นศาสนาตั้งตัวเองเป็นศาสนาขึ้นมาก็อาศัยอิทธิพลของศาสนาเที่ยตีบ้านตีเมืองตั้งตัวก็เกิดคุ้มง่ายๆว่ะอาศัยศาสนาเป็นเคืองมือําหรับเจ้าไปถึพลังรางเป็นกระบัดอย่างนี้ก็มีบางคนตั้งศาสนาขึ้นในอะไรโกรธหรือตั้งอธิขึ้นนอะไรโกรธเช่นมีตัวด้ายจากูกเขาดูถูกดูหมิ่นในทั้งน หรือต im so ั้งรัฐพี่ตงศต่นารือก็ต้องการแก้แข้นสังคมกรชัระชั้นแดดมันสังคมแล้วก็ตั้งรัฐพี่ก็ตัดศาสนาขึ้นมาเพื่อรัฐพีจะสง่ากล่าวนี้ก็รู้บางกระดาหรือบางกาศิตั้งศาสนาในรัฐพี่ขึ้นหลือด้านหลงคือเข้าไม่ถึงตาตั้งขึ้นมาก็ดีอาประเทศนี้ยกตัวอย่ึงช่น่าอาสนจในรัฐบุตรครูในหนึ่งในครูทั้งหกคนร่วสมัยพุทธกาล ขันชัยเวลาขบุตีย่ะเป็นอันยันนะวะหรืกันวอาอมราวิเศษิกาคิดถก ล, าลา่าวว่าถ้าพักฝ่ายเหมือนแต่กลาไหลจับไม่อยู่เพราะตัวยังไมมีความรู้ใจจริงๆไอ้ขั้นจะพูดอะไรยนืนกันมันเด็ดขาดลงไปงงก็กลัวที่จะจับใส่ตัวเราเพราะฉะนั้นจริงกล่าวบินยันไปก็บินยันมากอาทุกคนนี้ใครมาตั้งคหาขาอาจารย์ขันชัยบอกว่าขนอาจารย์ฐานามีไหม อาจารย์สันชัยจะย้อนถามถูกถามบอกว่าแกหละเชื่อว่ามีไ้มถ้าคุณนั้นตอบว่าฉันไม่เชื่อสันชัยจะตอบว่าข้ากาไม่เชื่อข้าหนมีแต่ในประเด็นเดียวนั้นทํามีอีกคนหนึงมาถามว่าข้าหน้ามีไหมจะย้อนถามว่าแกเชื่อว่ามีไหมแต่เขาตอบว่าเชื่อสันชัยก็ตอบว่าข้าก็ว่าเชื่อถ้าหน้ามีตรงนั้คือคุณสันชัยเนี่ยเป็นการสอบหมายเดือนไม่ก่ายืนยันขาตอนข้อพิสูจน์มาเด็ดขาดว่ามันมีแล้วใน ผู้ไปเรียงไปตามคถามที่มิตั้งมีคู่ผูกปัญหามาถามที่ต่อไปเรียงเช่นนี้ก็เพราะเกิดจากอัญญาณคือโมค่ะไม่รู้จริงเมื่ไม่รู้จริงแล้วก็วไม่สามารถจะยืนกันความจริงออกมาได้ขันจะคู่ไปทั้งที่ไม่รู้หรือก็อควรจะเสื่อล่าเสืส่อมสการะเสื่อมผู้รักถือปานตอบเช่นนี้จึงเท่ากับว่าตอบเอาใจผู้ถามอย่างน้อยก็ให้ผู้ถามรู้สึกว่าตนนำนมพ ท, ทิร่วมกับผู้ถามนั้น จะได้ผูกถานมาเป็นพวกด้วยอาจารย์ชันชายเป็นคนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงตั้งรัฐที่ขึ้นเหนอํานาจของอันญานเป็นอัญญนยานอวราชอันประกอบด้วยโมฆะเป็นต้นอ้ามคัคคิริโคสาระนี่ตั้งขึ้นโด้อโลยโกรดมีปู่เป็นผู้ถามมัคคิริโคสาระนะ่ะเดินเป็นข้าไปบ้านับเป็นข้าเขาซึ่งว่าเป็นขาตั้งแต่เด็กแล้วก็ มันหุนนายสั่งให้ปักน้าทำความสะอาดแล้วก็ไปายตลาดซื้อนมซื้อนมมาแะบหม้อนมยังแตกแบกอ่ะดูล้ว่าดูไม่กะหัวอยู่แล้วก็เดนนุ่งเลโชว์ขาเลยเดินล่แทงมาตามถนนพอมาเจอติ๊งหน้าก็ตูบานกเองนี่ไอ้หม้อตกมาแตกไปลหน่อยูความผิดวันนั้จะจับกูไปเชี่ยไปคุมไปขังก็หนีหนีนายก็หิ่งไล่ตัวจับ่าพหนีว่าอ่าแก ข้า่ากระงลั้าดแต่ฆ่าตัวเองละะเลก็หล้าจี้ตัวนีไปเลยพอตัวการนีไปเลยตั้งแต่นันมาขก็ไป่หนุน่ะาท่านไหนๆเราไป่หนุนข้มาแล้วมีกายหนีต่อหน้าขาเราจำนแล้วเราจะตั้งคูู่่วิเศษนะว่าแบบนี้ฉันเป็นขหราแล้วฉันไม่จะหนุนข้ฉันผิอายแล้วคนใดยังมีอายค้ยังมนเป็นขาราชพายังมีความรู้สึกในเรื่องเครียดอยู่จะต้องติดมานแต่คนนั้นยังไม่เป็น้งังนสิ ฉันแบบว่าอันแท้หมดอายแล้วไม่มีไม่ไม่มีการล้วันที่จะหมดอายนะไม่ใช่แกก็ไ่อายแต่แกถ้าหนุ่มแกจุดนายเขาหน่อกล้าไปแกเลยดกระไดใช้ตัวเรื่องให้ในวันนั้นเลยนี่ลัคนิภูสามแล้วก็สังตัวเป็นเจ้ารัคนิภูสานต้องการแก่แก่แก่สังคมกระชุกรชันสังคมเพาะแก่ป็นข้าเขามาก่อนแกจะ่อนรัคริภูสานคำดีก็มาดีคำชั่วก็ชั่วในก็ะสอนอย่างนี้เปอย่างนั้นที่แรกเรียนว่าอาอัตตัตตวัต ในส่วนทางส่วนตัวของเจ้าพิและเจ้าศาสนาเหล่านี้นีขอ้อบกขร่องหรือกลุไ่ได้กล่าวมาแต่เราเมื่อพิจารณาดูอัจปรัติของข้าพุทมีสภาพเราก็มีความภาษาทะอุไสว่าเพราะไม่มีข้อบกหล่องก น, องนองงกล่ามาเ น, นี่คือเลยทรงสูนนงดูดีความหาถูกตามเี่ยนงนลจีเรายนสทุกประการไม่เคยให้ีคุณยาคุณเกิลยตอ่อมีทุกสิ่งมาเหสีก่อขึมีดามาดาต อ, อใจปัญหาเรื่อง เรลียากเปี่ยนรนี้แต่พระองค์ก็ทรงสลักสิ่งเหล่านี้สลักจากความมีอะไรอะไรมาเป็นผู้มีอะไรอะไรแตกต่างกับเจ้าทีบางท่านจากความเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรมาเป็นผู้มีอะไรอะไรจากความเป็นผู้ที่อ่ากินเกิดนอนกลางดินกินกลางกายละหมาดลมนมาใจเป็นกบะตับนากองทัพที่รุ่งขุ่นชิงไทยเขานี่แต่พระองค์เจ้าของ่าเนั้นซู่ยเป็นกระตับสลักค้ามมีอะไรอะไรมานอนกลางดินกินกลางกายไม่มีอะไรอะไร อันนี้เราจะเห็นว่าการปฏิตฐานพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เกิดเพราะโลกหรือโกที่หลกเขาจะถือเพราะโลกแล้วทำไมจะมีอะไรเกิดขึ้ไม่เลยสมบัติทิพ์าสถึงมันก็จะถูกต่อไปดีกว่าลึกถึงินดาพลาสลุ่มกำลังในมากมายไกกองเพาว่าโกงก็โกด้วพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้กดใครไม่ได้กชิงทางจากขยะปีเลยไม่ได้ติดล้างจากเขม่เหือสีไม่ได้ติดล้างจากเขาพิดาก็ผิดพลาไม่ได้ติดล้างจาก ฐานะตำแหน่งก็มีได้คุณอยู่ในตำแหน่งานานะรัชท า, ายาทที่จะมีวางทอแลบะบสมบัติอยู่แล้วแปลว่าไม่ได้เอื้องผิดหวังที่มีคนายได้ผลอันประวัติไดเลยต่อต็ัวคนฉลักสิ่งเหล่านั้นออกมาเพราะฉะนั้นใครจะมาตั้งข้อขจั่วจ่าพุท ธ, ธกาศนาวะพุทธกานาวะไม่เป็นเครื่องมือของชนชั้นหน่ขขงมีบังละเป็นเครื่องมือของชนชั้นขุคทองบังละคําช่วจ่าเหล่านี้แหละ่วงกาไม่ขึ้นคําช่วจ่าเหล่านี้อาจจะช่วจ่าขึ้นแบบั่จ่าเอ๋ยักที่เอ๋ แต่กับพระพุทธศาสานานั้นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มแต่กระดักว่านึงแล้วเป็นผูน้ไร้อันนี้ก็เป็นศักีพยานพอแล้วที่จะเห็นว่าเจาพระาพุนั้นไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อมุ่ก็ะ e สิ่งเหล่านี้เพราะเหตุ น, นั้นเมื่อเราอนุสริศถึงพรประเสรนะเมื่อเราเข้ารู้ด้นั้นเพื่อไปจัดว่าดูตอนที่ถูทั้งหลายปุโรหคือจาสนาเนี่ยเราจะพิดไม่ใช่เพื่อลอคนไม่ใช่เราจะคิดไม่ใช่เือตั้งาจจเป็นเจ้าพธ สมรภูกกมิราแกยงลิตอบอี้อีดเราประพฤตก็ไม่ใช่ต เ, เรีกยกร้าใคราทุก า, ารกะบุอนวิาแต่ที่แท้คุณธรรม น, นี้มีแก่นสารคือาคอาคุทุกข์วามดับทุกและคามค้นจากราคเป็นแก่นสารอันนี้เป็นแกน่นารคุณธรรมนี้ัึงขนา น, นี้เป็นการยืนยันตัวตนอย่างแท้จริงของพระพุทธรูปที่ทรงปิาศาสนาพุทข้ไม่ใช่พาะแอกอีโลกโลา่งพิจาามาครานี้เาจาจรณาอีกขั้นหนึ่ง คือในส่วนบุคลกาของพระุทธเจ้าบุคลิกาพของพุทธเจ้านั้นใครจะมองนเนย่เป็กแต่ธรรมิกอย่างยิงย่ ง, งคือเป็นผู้เป็นชายรูปงามพระพุทธเจ้าเป็นชายงาม น, นะชายรูปงามทีเดียวขาว้าวเลักขาวก็อ้อจะว า, าวนมากเลยหวานอย่างนี้ถระราตนนื่นสิดวงข้างหน้าคมหวานในตาพระพุทธเจ้าทั้งหวานทั้งคมเป็นชายตาหวานกับตาคม ตาหวานกับตาคมกับตากลิ่นมีต่างกันนะตาคมตาหวานตากลิ่นตากลิ่นกับตาเจ้าชู้ตากลิ่นใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ตากลิ่นแต่สูงหวานแล้วก็รักคงกับคมทั้งหวานทั้งคมมองใครก็มองซึ้งในหัวใจแล้วนอกจากซึ้งในหัวใจแล้วยังฝากไวถึงความเย็นในแววตาให้ด้วยคือถ้าใครสุกเลตรกับพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นสบายใจชื่นอกชื่นใจคนนั้นะ ชิ้นโอ้ชินกายผ่านเนตรประสานเนตรฉับเข้าให้ไม่ไรแล้วก็เมื่อ น, นั่นแหละคนคนนั้นจะรู้สึกปิติความชุ่มชื่นอย่างแปลกประหลาดเพาสายตาของคนที่ตาคมตาคมหมายถึงล่าอ่านหัวใจคนออกทุกคนหมดใครจะมาปกปิดเวทีริษมารยาอย่างใดปกปิดพระองค์ไม่ได้ผ้องอ่านตั้งแต่ใบหน้าทะลุถึง ห, หัวใจตาหวานก็บตรงหลังความรักความเมตตาให้กับท่านนี่ทั้งคมทั้งหวานสายเนตรของพระองค์ เพราะะนั้นบรรดาสมณะครามที่ยกย่องบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าน่ยมีอยู่คํายกย่องอยู่คำหนึ่งบอกว่าในในยเนตรของสมนะโอดมนั้นตัวหนึ่งเป็นในตาของลูกวางอ่อนลูกวางอ่อนอ่ะไม่ใช่ลูกวางแก่นะลูกวางอ่อนลูกวางอ่อนนะใยตาหวานอย่างไรเราหลับตาก็แล้วกันหลับตาไล็กๆก็วางลูกตัวเล็กๆใยตามองเราอย่างคือแววซื้อแวอแวหวานในตากวางเป็นอย่างไร แสดงความซื่อความเปิดเผยความมีรูมีสัจจ์อุตมะอย่างนั้นทั้งขมทั้งหวานแล้วก็อขนขนตาของพระพุทจ้าขนตาของพระพุทเจ้างอนงอนนะแต่ไม่ใชงงอนจนโค้ ง, คงจนน้าเสียดไม่ใช่งอนอย่างคือภาพสตรีปัจจุบันเสิมสวเอาเครื่องดัดก้ะเั่งงงิ่งธรรมชาติถึงงงแบบนั้นไม่งามงงแบบนั้นใช่ไม่ได้ไม่งามแล้วมันฝืนธรรมดาฝืนธรรมชาติไปแล้วงงมากไปไม่ใช่อย่างนั้น เป็นรอนอย่างธรรมดาพระพักของพระองค์มีคาอุปมาบรรดาสมณะรายยกย่องว่าพระพักของพระสมณะโคดมนั้นอ่ะกลมกล่อมเหมือนจันเ็นคําว่ากลมกลมเหมือนจันเทนน่ะเป็นเพียงแต่อุคำอุปมาของกวีหมายถึงว่าดวงพระพักนั้นไม่ใช่สีเหลี่ยงไม่ใช่ไขไก่ไขไก่ก็ไม่ใช่สีเหลี่ยมก็ไม่เชิงแต่เป็นวงพระพักรีงามได้ส่วนสัด น, นะ ไม่ใช่เูมงคโค้งอย่างพระจันทร์หรือขเสี้ยวอย่างพระจันทร์ใครมีดวงหน้าอย่างพระจันทร์ก็แย่หนีใครเห็นเข้าก่อนหนีล่ะเวลาเวลาขั้งขั่งขึ้นอ่อนๆกลายเป็นเสี้ยวพอขั้งขึ้นแก่ๆกลายเป็นกลมมัเปลี่ยนได้หนึ่งเป็นเียงสมนตุโมาของตวีเท่านั้นเองแล้วก็พระจนี่ยังมีเอกก็คือว่าพระโอดพระโอดถนั่นน่ะแดงสะดุดจะชาแปลกแปลกชาไม่ใช่ว่าลิ้นปากรีหรือลิ้นปากเขียวไม่ใช่เออ ถาลืมจะต้องเสร้มด้วยการแต่งทารุธก็ไม่ใช่ไม่ต้องทารุธแดงด้วยชาติตามธรรมดางามไรพักคนก็มั่มเสมอมือนไข่มุกไม่มีฟันทองเรียบเลยใ น, นตอนนั้นไม่ขยเหร่ไม่นี่สมัยพุทธกาลน่ะมักจะเรียกลักษณะคนมาเป็นชื่ออย่างมีฟ้ฟ้าคนหนึ่งฟันไกลขยเหร่เลยคลๆเรียกว่าอิตาปูตะพันตะพานแปลว่าอิตาพานฟันขยเหร่อย่างนี้ก็มีปูตะพันตากแปลว่าฟันน่ะขยเหร่ออกมาโรงออกมาก เพราฉนั้นฟัง พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผีเป็นระเบียบประมันเสมอหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเกี่ยวแก้วทั้งสี่มีภาวะที่อัศจรรย์พระเกี่ยวแก้ทั้งสีเนี่ยเวลาพระองค์ย่านพระโอนะมีรัศมีโชดชวด่วยแต่รัศมีชดชวด่วยนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นแสงคุ่งฟาดฟาดออกมาอย่างนี้แทนที่จะดีกับรูเรากับเราเอ๊ะกิอะไรขึ้นอยู่ๆเป็นแสงผุ่งมาจากปากไม่ใช่คําว่ารัศมีโชดชวด่ชวยน่ะคือหมายความมีเงา ว, วาด เป็นเงาว่าเพราะถ้าจะว่ากันในทางอนามัยแล้วพระพุทเจ้าท่นเป็นนักอนามัยที่สุดสีพระทนสีพระทนอยู่ในนี้ถึงกับพันยับเป็นสีขาวสให้ข้าเราต้องสีฟันไม่ได้เราต้องสีฟันแล้วก็ทรงตรัสอ น, นิสงส์ว่าการสีฟันเนี่ยให้อนิสงส์อะไรบ้างหนึ่งทำให้ฟันฟันคนสองแล้วก็ท า, า, านอาหารอร่อยๆสมไม่เป็นโรคสี่ห้องไม่ปูแต่ออนิสงส์การสีฟันเนี่ยไม่เป็นโรคเลยนี่สบายดีพดังนั้นถ้าเขี่ยวแก่เวลาที่มีลักษีะออกมาเนี่ยผู้ที่จะเห็นนั้น ท่า น, นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอย่างพระอนาอนาอนท์พระอานนท์วเวลาไปไหนท่านเป็นปัจฉาสมอนนะ่ะดิบ ก, ก้อยให้ตามพระพุทธเจา้าเวลาพระจารย์กรดาลงตรารถเหตุอะไรแล้วก็มกักจะแย้มพระโอสถการแย้มพระโอสถของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อย่างพวกเรานะเร า, เรากกหัวเราะกิ๊กัดิกกหัวเราะมอไหลหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลหัวเราะ็นคุ้มท้องง้ไปดิ่งผัดผาตัวนี้การนานหัวเราะของเราเป็นอย่างไรแต่การหัวเราะการสบแสดงความดีหัวเราะของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอรหันตบุคคลขึ้นไปนั้น เป็นเพียงแต่แยมเห็นไหลพันนิดหน่อยแย้มนิดหน่อยไม่มีการหัวเราะลงลูกคออาาิกเมึงมีการหัวเราะจนหัอหายกิ่งไปกลิ่นมาไม่มีการหัวเราะจนหน้าหูเล่นตารอดออกมาไม่มีนี่เวลาแย้มพระโอรสแล้วก็มีนักสนิททศมาชาติโทษ่วงเป็นเงาออกมาพระอนนท์เถรเจ้าท่านเป็นคนช่างพิเศษพอพระาพุทธเจ้าแย้านระโอรสก็ต้องนึรู้แลว้วว่าพระองนี้ต้องมีเรื่องสาคัญราบรอเหตุอะไรเหตุนหนึ่งเป็นแน่ถึงแย้มพระโอดพอเสร็จก็รีบกลับคุณถามอากมาตะกี้นี่พระพูไปรุ่งพา คงย่งพระโอษฐ์้าเสียใจพระเจ้าผ่าพระอน์ท่านก็เป็นคนช่างถานอยู่แล้วพระผูกษาขอแสดงตารกเหตุนั้นอย่างนี้มีบ่อยๆเช่นครั้งหนึ่งพระอนุ์ติดตามพระพุทษาไปในป่าแห่งหนึ่งพระผู้ศึษาเขาผ่านป่าแห่งนี้พระองค์ก็แย่งพระอษฐ์พระอนุก็รีบถามทันทีว่าพระอตารกเหตุอะไรพระ้ศึาผ่านถพระอษฐ์พระพู้ศึาบอกอนุป่าตรงนี้น่ะเป็นกัปปฐายตั้งอยู่ชั่วหนึ่งกับไฟจะไม่ไหมจนกว่าวันใดโลกแตกวันนั้นไฟถึงจะไหม ถ้าวันใดไม่ถึงกําหนดอายุไขของตับและอายุโลกตับของโลกแล้ววันนั้นที่ตรงนี้จะไม่มีไฟไหม้เลยไฟจะใหญ่เทียนไหน้ามาถึงตรงนี้ตรงนี้ได้จะต้องดับหมดถ้านรินทร์ก็ทูลถามสาเหตุเจ้าเจ้าข่าพระผู้นีภาพจึงได้นําอดีตเหตุมาเล่าให้พระนรนทร์ฟังว่าเมื่อไ ห, หลายหลายอสงไข่แสนมาหากราบลงมาแล้วมาตรงนี้เป็นที่ตั้งของน็อกคุมตั้งสัจจิริยาไล่ไฟคือเมื่อรพระผู้มีพระภาคเสวยพระชาตเป็น นกขุมอยู่บนออยอดต้นต้นต้นไม้สูงที่ลายกบขึ้นบนต้นอยอดดีล้างก็ย้ายไปอยู่บนนูนแล้วเมื่อไปอยู่บนต้นนู้นแล้ววันหนึ่งบิดามานดาออกไปหากินข้างนอกกลับมาไม่ทันพอดีเกิดไฟไหม้เปล่าพั้งผู้ที่ตัดเวลานั้นยังเป็นนกเล็กๆบีกยังบินไม่แข็งพอเปลวไฟไหม้ใหญ่ล้อมต้นไม้เข้ามาใกล้ประชิดหลัง ท่านจึงตั้งปัจจียยาอ้างความจริงที่มีอยู่ในขณะนั้นว่าตีของข้ามีอยู่ก็บินไม่ได้พ่อแม่มีอยู่พ่อแม่พ่ไปหากินยังไม่กลับข้าขอนอกน้อมแดกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นไปอยู่ไปเ อ, อ๋ยท่านนี่เป็นความจริงของของข้าที่มีอยู่แล้วเจ้าจงถอยออกไปสิบหกกรีดเถอะถอยออกไปรวยรอบสิบกกรีดเถอะสิ้นปัจจียรยาของนกพโปธิสัตว์ไฟ ป, ป่าที่ไหม เพรดับวูบตลอดขนทางที่กปกเกล็ดไฟพราเหตุนี้โบราณจึงได้เขียนมาเป็นรูปนกเขียนยันกันไปเรียกกันว่ายันพยานกคุ้มสำหรัาบากันไปอ้างคารสเขตนนี้พรในวันในวันนั้นพระพิตรเจ้าเสด็จพุทธดาเนินมาผ่านป่านี้แล้วต่สะพบกับอารมณ์เต่าของพระองค์และลิบชาดยอนหลังไปหลายอสงขายแสนมาหากรว่าที่ตรงนี้เมื่อพระองค์ยังเป็นพยานกอยู่ดีสวยสุดขั้วอ้างพระเจ้ากินยาดับไฟ จึงกลดลืมดันดกับพระอานนท์ว่าตรงนี้น่ะเป็นกับปัญษาตั้งอยู่ได้ชยขัวหนึ่งกับไปหม่ๆาจนกว่าวันใดโลกจะแตกไปถึงจะมาทิดตรงนี้เหการโลกเหตุนี้จึงเห็นแย้มโรยเป็นประกาศธรรมิกออกมาแล้วกับพระพุทธเจ้าเอาก็ตรัสเล้าให้ตามที่พระอนานนทร์กลัดคุณ่าพระชิวหาของพระพุทธเจ้าพระชิวหานะ่ะตางตำนานนะหนาผิสรักขณะว่าพระชิวหาของมหาบูรนั่น และติดถึงหน้าล่าหน้าปากและถึงคำพูดงหน้าหน้าปากและซ้ายขวาถึงใบหูคือใบหูด้านหน้าลิ้นยาวแลกซ้ายขวาถึงใบหูอาการเช่นี้อะท่านทั้งหลายอยากลัวว่าถ้านผู้มาแรกที่เราเห็นมิเรากลัวแย่เลยว่าแลดิ้นหลอกเราไม่ใช่คําตํานานมหาปุริตละขณะที่วันแรกติดน้าลาแลดถึงใบหูน่ะเป็นคําอุตมะหรอกไม่ใช่ว่าของจริงจะต้องแลดอย่างนั้นจริงๆใครจะเชื่อตามตํานานมหาปุริตละขณะแล้วลากกระจกเงาบานใหญ่แล่งดู แล้วเราลองทําเป็นแบบนั้นบ้างซงจิจะได้จะได้เข้าไหมในตำานารานาบอบกว่ามือยาวถึงหัวเขาถ้าคนยามือยาวถึงหัวเขาลิงแล้วลิงไม่ใช่มหาปรุรแล้วลักษณะเป็นลิงมากกว่าแล้วมันจะคนมีบุญแล้วถ้าขนาดว่าเดินไปไหนมาไหนเดินดีๆขวายมือมือยา ว, ยาวถึงหัวเขาแล้วก็วานอนไม่ใช่มนุษย์เพราะนั้นตำนานมหาปรุจะลักษณะเนี้ยท่านพารานาเป็นปุคลาสิฐานเราต้องรู้จักเอาความหมายนะหาเอความหมายอย่างเช่นพารานาอสติยาเราควรชนะ ว่ารอยเท้าของพระพุทธเจ้านั้นมีลูกภูเขาหิน ม, มาพานมีลูกพับมีลูกพระพรหมมีลูกพระอินมีลูกต่างๆเครื่องสูงต่างๆเป็นกระพิดเป็นกระพิดไร้กระดูกสะพานต่นตนตนตตนางๆพลรนายอย่างนั้นพนาหลายอยากจะเห็นว่ารอยเทาพระพุทธเจา้จาตามตามตำนานมหาภูริสลักษณะเป็นอย่างไรก็เชิญไปดูที่พระบาทวัดพรนนวัดโคดานั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเราเชื่อแล้ว่ารอยนนท้ามันควจะมีลูกอย่างนั้นเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อจะเราจะให้ความหมายว่าอย่างไร ความจริงความหมายอันนั้น่ะเป็นเพียงแต่ท่านพละนาเป็นวัวหานบุคลาภิษฐานความหมายจะมีว่ะาสมบัติเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นคือพรมมสมบัติอินทรสมบัติสัคขสมบัติจักรพัฒสมบัติมนุษยสสมบัติสมบัติต่างๆเหล่านี้ที่เป็นรูปต่างๆในบาปบาปของพระติจาวนั้นสมบัติเหล่านี้ท้าสาสะดาได้ทรงละแล้่เห่งอยือเหนือหยีสมบัติเหล่านี้ถือว่าอุบัตแล่ สมบเหลานีไม่้ามาที่จะทาให้พระองค์ากำเริบต้งการความตาชนะอีกแล้วเป็นของต่าในสายตาของพระองค์จนชนะอินทราสมบัติจนช น, น, นกกะโทมาสมบัติจชนะจักรพรรดิจนนักรพรรดิสมบัติจนชนะมนุษย์สมบัติหมดแต่ว่าอินทร์รงยักจักรพรรดิมนุษย์เราผลขวาอยากไม่มีการสิริเรล่านั้นพระองค์คงเยียบไว้ต้อุ้งเาหมดไม่มีความหมายเหมือนหนึ่งอีกรวดดินตายนี่ความหมายของท่านต้องการอย่างนี้ แต่ไม่ยะในการเทศนาโหรหารสั่งของคนถึงมีหลายพันอ่ะที่เป็นปัญญาบุคคลก็นี้ไม่ใช่ปัญญาบุคคลก็มีไอาจจะถูกกันแบบตรงไปตรงมาแบบนิดปริยายะเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องมีจิตวิทยามีโหรหันวิธีการอุบายกระโทนทักจึงท่านจิงเมินพระรณนาเป็นรูกบาศก์ใต้ป่าอุ้งพระบาทน่ะมีภูเขาหินมาพานมีพระธมมีพระอินมีเครื่องสุมากษระสัดมีวงจักรมีนางแก้ะช้างแกะคุณช้างแก้วต่างๆนนฮะเย็นเป็นภาพอยู่ใต้อุ่งป่าประบาท ตอนนี้คนดูเห็นภาพเหล่านั้นก็เห็นภาพแล้วก็เลือกอ๋อของเรานี็ของกระเกิดถึงเพียงนี้แต่ยังมาติดที่พระบาทของพระตว์สุดาของเราพระสตดาของเราเนี่ยเหือกว่าไอ้สมบัติเหล่านี้ตั้งแตเพียงแค่นี้ความหมายในเรื่องนี่ต่างในอุปมาประบาดเป็นอย่างนี้เพราะนั้นความหมายเลยว่าแหลกพระชิวหาติดนณะแลกพระชิวหาถึงพระันได้อย่างนี้นะมายควาของจริงอย่างนั้นนะของจริงอย่างนั้นเระคกลัวตายแล้วเห็นคำานีแล้วลินยาคำหนปิดหาา ลิ้นยานขนาด่อยมาถึงหน้าอกได้เนี่ยถ้าปิดทิ้งปิดทิ้งมาวาดได้กข่อยถึงหน้าอกได้ออกมาเนี่ยอเออเวลาแลกมาั้งซ้ก็ถึงหน้าอกปเราเราเห็นเขา่เาเเราบิดากะตุงูกันแนว่ามชื่อเละลิ้นในที่นี่น่ะหมายถึงว่าลงแดงคําสามารถครอบงำบุคคลความยาของลิ้นเท่ากับวิาาถีแห่งธรรมะที่สามารถครอบงำบุคคลโดยรอบไา้ลิ้นพวองตวัดไปโดยรอเพราะนั้นจึงสามารถธรรมะที่คุณแสดงจากกระดกน่ะ สามาไหลเต็นกลืนในดวงใจคนโดยรอบดาวต้องการความหมายเพียงแค่นี้ในตำนานมหารปริศนาศที่พัลนาอย่างนั้นต้องการความหมายเพียงเท่านี้เท่านั้นเองไม่ได้ต้องการความหมายอื่นใดไปกว่านี้เลยในคือความหมายหนึ่งในเรื่องข้อที่ว่าและชิวหายยาวคราวนี้หิวหิวขงพระพุทธเจ้าเป็นสียะร่รไม่ใช่ขาวอย่างฝรงั่งเขาอย่างฝรั่งก็ไม่สวยสาาถ้าชิวอย่างอาอายยันแท่นะไปดูสังเกตุถิฝรั่งสิ เราไม่ต้องอุ่ใจไปดูผิวหญิงฝรั่งก็แล้วกันตกกระดัหยักยาบนหนังผิวช้างต้องเกยให้ดีเถอะเหมือนผิวช้างเป็นขยันมุมเป็นตาตารางตกกะดไอที่เราเห็นสวยในในหนังน่ย น, นะไปดูจริงผิวมันก็ไม่สวยภาพผิวเฉยมก็เรียกว่ า, าน้ายามาล้วทาบยิงฝรั่งเขาเข้าไวากรารคนแล้วสังเกตเหมือนกับผิวช้า ง, างนี่นแหละตกกระตกกระก็มีไม่ตกกระดักก็เป็นผิวกระด้างกระด้างหยักหยาเป็นตาตารางตึ้งใหญ่ฉีกไปแถกมาเฉะไปไฉมาไม่ว่ายิงว่าชาดไงไนั่นหยาบแล้วมีดวงดวงมีตราตราไปสังเก แล้วก็ขนปุกปุยหน้าตัวออ้าไม่มีเสื้อแกนสายก็ดูมื อ, ม อ, อ, อ ย, ยิงกุรังกุังขมยาวผู้หญิงก็หลังนะหน้าตัวมากผู้ชายเขาหลังก็ไม่ต้องพูดละยิงกว่านี่เรามองรูปถ อ, อย่างนั้นอย่าไปดูแค่ในหนังแค่ในหนังก อ, อ, องิวไอเอทอนสวยงามดูของจริงก็ได้เห็นของจริงเนี่ยนี่ผิวฝรั่งจะงามต้งิวคล่องไะทางสเปนอิตาลีโกสเตปทั้งนี้แล้วทั้งแล้ลนแล้วถ้าทา ง, ทางกกนดนาเวียยิงแล้วใหญ่เลยผิว ิ world, Hoy, ่งหยาบหากระด้างใหญ่จีเด <h az os> well. ียสแกนาิเเวียทางเหนือเนือขึ้นไปอ่ะามุงหนาวขึ้นไปอ่ะเพราะธรรมชาติต้องปรับปรุงผิวแต่อสู้ความหนาวได้ต้องมีขนยาวปลุกปุพื่อจับกันแหละในเขตหนาวก็ต้องปลุกุยธรรมดาต่อสู้ความหนาววอะไรท่ที่สุดผิวชาวเอเชียไนที่สที่สุดไม่ใช่เขาข้างชาวเอเชียผิวเราชาวเอเชียเนี่ยงามที่สุดแล้วคือว่าไม่มีึนปลุกปุยเ็นหนึ่งิงแล้วก็ไม่ไม่หยาบปกระกระด้างเหมือนอย่างกับิวชาติเพราะฉะนั้นสิงของพระพุทธเจ้านั่นน่ะพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นชาวอารยัน แต่ก็เป็นอารยันเอเชียเพราะอารยันมาอยู่ใน India, อินเดียตั้ง 2,000 กว่าปีกว่าจะถึงสมัยพระพุทธเจ้าเรา้ะยะ 2,000 กว่าปีนี่ก็กันกองผสมกันเลือดมงกุฎีอรวมผสมกันไปเพราะนั้นผีพระพุทธเจ้านั่นะขาอย่างคงผิวเหลืองที่จะขาวไม่ใช่ขาวชั่วอย่างกรั่งขาวไม่ใช่ขาหยังคผิวเหลืองที่ผิวขาวต่อไหวยังายงคนผิวเหลืองที่ผิวขาวนะผิวรเจ้าเนยังไงอ่าพระพุทธเจ้ามีพระุรเสียง กลมกลมเวลาเสียงเนี่ยเสียงทุ้มเวลาพูดเสียงทุ้มกังวานมีเสียงกังวานแล้วเสียงทุ้มด้วยลักษณะเสียงพระพุทธเจา้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเปลี่ยกว่าพระพุทธเจา้าแสดงธรรมนนะ่ะใครใคคนต่างร้อยคนทุกคนก็ไมึกว่าพระองค์แสดงกรเราทั้งนั้นใครใครทำพระพุทธเจา้าตัางร้อยคนร้อปัญหาฟังเสี้ยเรื่องเดียวกันแต่ทุกคนก็ไม่ได้ใจว่าพระองค์ทรงตอบปัญหาในใจเราทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วใครใคก็ตามถ้ามีทุก พอมาเห็นหน้าทุากขิตเจ้าแล้วทุกขายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์บาอีกห้าสิก็แขงสูงไปเลยเห็นเยี่ยงแต่เห็นหน้าห้าสิบเซก็ยกเลิกแล้วะพอมาทั้งคางอีกทีหนึง่งอีกห้าสิก็หมดเป็นยังไงนี่เป็บุคลิกภาพ ข, ของทุกขิตเจ้าที่ว่าสงงานงานอ้าบุ้มแข็งแรงนี่ทุกขิตเจ้าจะมีบุคลิกอย่างนั้นบุคลิกเช่นนี้นะแม้แต่นางเจ้าหญิงกีาตาโกตมี เพ่งเป็นฝ่ายเกี่ยวมาราศีพระพุทธพระพุทธองค์ ย, ยังเป็นเจ้าชายจักรพอยู่จอยิงกีตารโกตมีขึ้นไปอยู่บนปร ะ, าะาส า, ระ า, าทของเจ้าชายจักรพรรดิพระทัพบราณชลผ่านมาจะยิงกีตาร์โกตมีได้โยนดอกไม้กลูมารายให้แล้วก็ขับเป็นกราบคาถาโยนยอพระรูปโมว่าญิงใดมีชายมีลูกันชายผูนี้ญิงนั้นก็จะเป็นคนมีความสุขที่สุดเป็นมารดานที่มีสุขที่สุดในโลกพรตรีได้ถ่ายทัศนาเฉกเช่นชายผู้นี้ สตรีนั้นก็เป็นผู้ที่มีความสุขารมเพลนปีที่จะไปโลกนะบุตรีดาได้ถ้าได้บิดาอย่างชายผู้นี้บุตรีดานั้นจะเป็นผู้มีลาภมีความสุขมากทีุ่ดใโลกนางกิตาโกตมีขับปาดเกี้ยวจงอาดิภัทธม่กระทั่งอิจฉามขวบเมียสองคนทางภาคเหนือที่หวงหลุดสาวนักหนาไม่ยอมยกหันกับใครมากพะยาร้อยเอ็ดเจ็ดนครมาขอก็ไม่ยอมยกหั น, มามา น, นออต้องการจะเลือกอู่เขยในอุดมคติของตัวเองเพราะว่าทั้งขวบทั้งเมีย เป็นคนณจับอุดมคติรู้ตำหรับตำราในการเลือกบุกคคลเดี่ยวจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งจะลูกเลลู ก, ลกเลือกผู้เขยให้ลูกให้กับบุตรสาวตัวเลือกสามีให้ไม่ที่สุดจะมาพบผูบ้จั่าค่ะพอๆ อ, อพอเห็นหน้าเขาตอนนั้นไม่ต้องฟั ง, งอีลาค่ะอีลุนบอกว่าฉันยกผู้สาวให้ท่านทีเลยพอเห็นบุคลิกเานนั้นน่ยยอมแล้วจะยกผู้สาวห้ิ้นตอดทอ ง, องไม่เอาหมด เขาาว่าท่านเป็ะไม่มีสมบัติเาจนถามอามาเอาหรอกเพราะฉะนั้นให้มีมนต์อยู่ตรงนี้ก่อนนะเสร็จไปตาบอกยายที่บาลบอกลูกสาวลูกสาวที่บ้านว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะลูกเขยในปกติเขาแล้วพระพุทจาจะเนี่ยอธิษฐานลอยสมบาตไว้ให้เห็นแล้วเสร็จสเด็กละไปพออิงยังยายวิ่งใจมาถึงก็บอกว่าตาเอ๊ะดูตามนักหนของรอยเท้านี่ท่านเห็นเจ้าของรอยเท้าที่ว่าจะเป็นลูกเขยของเรานี่ยนะเห็นจะไม่สาเร็จแล้วตายทาไมล่ะยายทำไมถึงไม่สาเร็จล่ะเพราะฉันตาไวดีแล้วนี่นะ บอกที่ไม่สำเร็จครัเพราะาท่านุู้เปเจ้าของรอยเท้าเนี่ยไม่มีรอยเท้าหนักส้นหนักปลายเอียงซ้ายเอียงขวานี่มีเหยียบสมัมสมอรากเหยคนที่มีรอยเท้า่นีเนี่ยคนคนนั้นหมดราคาหันใจแล้วเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นลูกขลาาเขยเราไม่สำเร็จก็เลยไปถามกันไป่าใครเนาะเมื่อตะกี้เนี่ยบอกใครอยู่เลิกจากไปแล้วถามไปถามมาในความว่าเป็นพระนผเจ้าก็ช่วโหโหโกันไปเปล่าพระองค์เลยรแดนคำไม่ฟังทั้งตายายเป็นพระอนาคามีบุคคลนี่นี่เป็นเรื่องที่ว่า ก็โอนผูเข้าเลือเลือเป็นเเขยโดยที่ไม่ต้องเสียสิงของมละ้ยกคุณฝ่ายีในครั้งนั้นอีกครั้งหนึ่งผู้ชายแท่ๆยังหลงหลบโฉมโงเลยผู้ชายความวัตกริสครามักริบวชนะไม่ใช่อะไรบวชเขาอย่างนี้ต้องการจะยืนโฉมพระพุทธเจ้าให้เต็นใจอิ่มใจเาั้เองพอบวชเสร็จไม่ไม่เป็นอันเลี้ยงธรมวินัยละ้าก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าบายก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้ายนก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้า แล้วก็ชื่น อ, อกชื่นใจกับตัวเองนะยังง่นงามยางงี้สวยยังยง่นสวยยางงี้ปิด อ, อกปิดใจนักนะเพื่อ า, าสดงตัสูงรูปแหละว่าวัคครีพิสุเนี่ยบวชเพราะรือประมาณนี้กาปิดในรูปข อ, องพระองค์แต่ยังก่อนตอนนี้อินทรียังไม่แก่กล้ายังส่อใหุหมโฉมัทมนทางพางก่อนรอให้บ่มนิสัยจอินทรี์แก่กล้าเพราะวันหนึ่ได้สนดวาระพระ อ, องค์จึงกัดขับไล่วครีพิสุว่าวคะธอจะมานั่งชมโฉมต่อหาไมนะทั้งเช้าสายบ่ายค่าเนี่ย มีประโยชน์อะไรการร่างกายที่จะป่วยจะหนาเนี่ยไปถ้าทำอย่างนี้แล้วก็อย่าบวชให้อย่าบวชซะดีกว่าปวยการบวดบวชแล้มาเรียนทำอวินัยมานั่งโยนโฉมกันอยู่เนี่ยมีประโยชน์อะไรวัตริเสียใจข้อทุ่มทอดความรักในภาษาสบามาก่งเพิ่มเลเกินภาษสบากลับมาขับไล่ไม่สมกับตัวทุ่มทอจะไปฆ่าตัวตายเสียใจแล้วก่อนพระฤาษีจะขับไล่เราแล้วตัดรอนเราแล้วต่อไปคงจะไม่มีโอกาสมาใกล้คิดตรงนี้อีกแล้วใบหน้าขึ้นเป็นยอดเขาจะกระโจนมากระโจนยอดเขาตายแล้วตอนนี้พอเตรียมถลุจีวนเตรียม พระสาวกดาก็สุงมิรมิตส่งพระลูกออกไปปรากอดทันตีเียงขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ในวัดนะไม่ได้ไปเดี๋ยพระองค์เองเอ่ส่งลูกมิรมิตไปคือถอดมนูมนายกายไปถอดใจพิษออกไปเลยไปปรากอดต่อหน้าวัคคาริสุสสบแสดงทำทำกับวัคคาริว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสติติดูก่อนว่าคาริผู้ใดเห็นธรรมนะผู้นั้นคุจะเห็นราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นธรรมการที่จะเห็นเราที่แท้จริงกระถาเขาคือแท้จริงคนคนนั้นต้องเห็นธรรมะ ยิ่งชีกว่านีาเ้นเราพอแสดงเช่นนี้วัคกี้ที่สูงซึ่งนี้อินทรีย์อ่อนแก่กล้าแล้วก็ได้ศัสรูที่ศัตรูนั้ไม่ใช่อนกาลเวลานั้นวัคกี้ที่สูงน่ะมุดอะไรเอาว่าในในภาษาซาดาแล้วเมื่อภาษาซาดาทอทิ้งเราแล้วก็ตัดความอาลอัยเมื่อตัดความอาลายัยไอ้ราคะที่ตัวมีอยู่ก็บันไทาเบาบางลงไปมีแต่อารมณ์ของความโศกความเศร้าแต่จะมีก็เป็นโภสักนิดหน่อยเกิดจากความเป็นผิดะอยากจะทำลายชีวิตตัวเองให้ค้นไปเสียตามที่ตัวผิดหวังเพราะนั้น วัคคีฤทธิสูถ้าจะว่าแล้วสบายคนลาคาะขั้จริตเมืาา่อละขั้นจริตลาคาัอันนี้บุคคลศาสตายใช่บายน า, า, ายขอนโดยการขับไล่ออกไปแล้วถึงตรงนี้ใจว่างจากลาคาแต่แล้วจึงร อ, องรับธรรมะจากที่ขศาสตาแสดงได้ง่ายพอรองรับธรรมะส่วนกระแสใจไปตามาาธรรมวัคคีฤทธิสุงก็เดบุรุษเป็นผ้าละหันในขณะนั้นเองนี่นี่เป็นเรื่องของอํานาจของบุคคลิกกถาขอพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสูนทริยาตอีกข้อหนึ่ง ในส่วนพระรูปโฉมของพระพุทธเจ้านีเนอีกข้อนในส่วนวิชาความ ร, รู้ตัวชายที่ขัตถะก่อที่จะตลาดในขัมมะสละโลกออกบันเทนในขัมมะบารมีพระองค์ก็ได้สูงศึกษาวิชาท้งโลกอันสมควรแกข่ขติโวงจะศึกษาเพระเาะฉะนั้นครจะมาท้วงติงว่าพระองค์หากินทางโลกไม่ได้แล้วสิถึงจะมายิบสาสนาเป็นอาชีพ พูงติงข้อนี้พวงติงไม่ขึ้นเลยเด็กเศึกษาวิชาทาง โ, กโลกบกลวงอันสมควรแก่ขัยตยะสระกุนแล้วและเมื่อตอนที่แสวงเอาวิโมโกัตรรมสอนเจะาศัตรูก็ได้ใช้เวลาที่หปีในการทดสอบความจริงจากปาลัทธิาศาสนาต่างๆถ้าพระองค์เสด็จออกมุดปั๊บเป็นขัตยะปุ๊บยางนี้ไม่อาาัศจรรย์ใครๆก็าอาจจะตั้งขอ้อวงจับพวงติงได้ว่าที่พระองค์ตั้งาศาสนาทุกขึ้นก็เพราะไม่รู้าศาสนาอื่นมาสิพารู้าศาสนาอื่นมาดีแล้วอาจจะไม่ตั้งาศาสนาพุทธก็ได้ แต่นี่พระองค์ก็ศึกษาลัทีิอื่นศาสนาอื่นเปรียบเทียบมาถึปีเต็มแล้วจึงได้กระสบว่าลัทธิในศาสนาเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงจึงได้คน้นคว้าโดยหนทาของพระองค์เองบันทึสถานศาสนาทุทธขึ้นตอนที่บันทึสถานศาสนาทุทธขึ้น่ะนนนมีพวกสมณนคามบันเหล่าติดตียงกว่าอะไรยังหนุนหนุแน่น่ปฏิญาณตัวเป็นอรหันต์มาทงพิจารณ์อย่างอิตาอาชีวกที่วิ่งให้กับพระ พ, พิจารณ์ ตอนจะครูใหม่ๆจ ะ, ะเด็ไปพารานีสวนทางกับอิตาอาชีวกอิตาอาชีวกนี่ถามว่าท่านเป็นครสดาท่านทําวยุทิกลยถึเห็นพุทธเจา้าร่างเต่งตัรูป่างงานก็เข้าไปทักถามพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ไเป็นบูิษใครเราแต่รูเราเองเราเป็นสมมาสุทัก์อาชีวกแลบิ้นครับบอกว่าก็ดีแล้วท่านเป็นอรหันต์ก็เป็นท่านดีแล้วสวนทางกันเีกไปอาชีวกที่แลบิ้นนี่ท่านทั้งหลายไม่ใช่แลบลิ้นหลอกนะแลบลิ้นนี่เป็นอาการคารวะ เป็นธรรมเนียมชาวทิเบตทุกวันนี้บางเขายังใช้กิริยาแลบลิ้นเป็นการสแสดงความคารวะ้าเระเพบชาวทิเบตบางเขาเขาแลบลิ้นให้เราอย่าไปหาว่าไอ้นี่ทำปรตหลอกไม่ใช่เขาสแสดงความคารวะให้กับเราลิ้นแลยิ่งย้ิ่แสดงคารวะมากเออถ้าแลเพียงนิดนึงเห็ไปยลิ้นคารวะน้อยถ้าหนมันือเรามา ก, กต้องลิ้นแลดยาวๆค่ะยิงง่งยาวยิ่งแสดงความคารวะทาไมถึงว่าอย่างนั้นอาการแลดลิ้นเป็นการสแสดงว่าฉันไม่ลิ้นสองแฉกบ่ัน บาดกระจายตรงกันลิงชั้นยัมีสแฉกพูดตรงคิดยังไงพูดอย่างนั้นและลิ้นให้เราดูว่าชั้นเป็นคนตรงกับท่านนะเพราะชั้นรับถือเคารพท่านชั้นไม่มีอะไรบุกบิด ท, ท่านบุกเวยกท่านแลบลิ้นทห้ดูนี่เป็นการแสดงความเคารพอิตาชีวคนนี้ถ่ายจะถือทําเนียมอันนี้กับมันเพราะว่าอินเดียภาคเหนือในสมัยก่อน ร, รัชกาลก็ปรากฏว่ามีพวกทิเบตพวกทิ้เหลืองอพยพมาย ต, ตั้งถิ่นฐานกันอยู่บนเปกตะพวกอรารยันเพราะฉะนั้นอรรเนียมและแลบ ล, ล, ล, ลิ้นเนี่ยยิ่งไม่ใช่ว่าแลบลิ้นหลอก การแสดงความเคารพอาชีวกไม่เชื่อว่าเขาปธิจาเป็นพุทธะแต่ในฐานะที่เขาปฏิจ้านั่นเป็นนักบวชตอนจะลาจากใจก็แลกวินให้เทํานี้เองแสองไม่เหงาเรายกมือไหวแต่เหตุกิริยาใจจะนับถือไม่นับถือไเลือหัวใจแต่ได้มาแล้วยากแล้วเราก็ยกมือกระพุ่หว้คือม่เหตุิริยาเรือกหัวจริงครานี้อย่าไปแปลความหมายว่าอิาอาชีวเนี่แล้ววินหลอกอย่าไปแปลอย่างนั้นครานี้ความว่ด้วยความถือต่อมาว่าอตาอาชีวะนี่พอมาจากเขาปฏจารไปแล้ว แกก็ไปเที่ยวประกาศมาที่คุณแกสัญจรเลื่อยไปจนกรทั่งมาเจอคณะคณะกายกรรมคณะหนึ่งเขี่ยวก่นเลยหากินตามหัวมือต่างๆแต่ไปยืนดูกายกรรมเล่นดูไปดูมาไปเกิดติดใจลูกสาวหัวหน้าวิทย์กายกรรมวิทย์นี้เขาเอลูกสาวแสดงอาการกระโดดสูงกระโดดเตี้ยเดินบนไม้ไถเส้นอันเดียวเดินบนเชือกท้อใจอยากจะยัไงจะขอแต่งงานไปไดาเชียวถาเออแกไปแสดงตัวเป็นอาจารย์เจ้าของหัวหน้าวิทย์ก่อนมีมูแก เอาไว้ในวิทเลี้ยงดูวิทนี้ได้ไปแสดงที่ไหนเขาคนนี้มน อ, อาจารย์ติดอาชีวกนี้ไปด้วยวันหนึ่งอาจารย์นอนคุมโปงข้าวปลาไม่กินเจ้าของวิทย์ก็ถามบอกเอออาจารย์อะไรครับข้าวปลาไม่กินอะ่ะหรือว่าพวกผมนี่เลี้ยงดูอาจารย์ไม่ดีอาชีวะปลาราเ ล, ลี้ยงดีเลี้ยงดูดีทุกอย่างโยมแต่มันมีไข่ใจที่ฉันผูกอะไรไม่ออกเจ้าของวิทย์ก็บอกข้างหน้าอาจารย์สิ่งได้ไม่เกินดาวกระเด็นแล้วก็จะหาให้ก็คอจะหาให้ได้ผมบอกก็ อาชิวบอกแน่นะโยนตัวหาให้นะไม่ขัดใจความประสงค์แน่นะบอกไม่ขัดเจหนาะเพราะว่าตั้งแต่อาจารายมาอยู่ก็ ว, วิ่งของพวกเรานี่แล้ววิ่งเรารู้สึกว่าไปแสดงที่ไหนถ้าคุณ ม, มีมาหานิยมคนติดกันมากแต่หาลูกใหม่ที่คนติดมากนะติพาะ ท, ทีนั่งลูกสาวไม่ใช่ว่าอาชิวเขามาอยู่ลูกสาวสวยจะดิบจะก้าเท้าตัวใครดูก็ชอบผู้หญิงนี่แหละขอบมาดูกายกรรมวิ่นี้นะักกีฬาหนักทัางอาชิวเขาเตะเตะความจริงว่ะ ฉันรักลูกสาวแต่เขาไห่แล้วรู้ไหมถ้าแกยังจะลูกสาวใหฉันละก็มันจะช่วยชีวิตเธอหนรอดตายได้ไม่ิี่ก็มาคำนึงว่าเออเวลานี้ล่ต้องไม่มีบุตรชายไอการหาบุตรเขยน่ะมันก็ลำบากัวจะไต้บุตรเขยชวิดมาปิ้งกล่องหลอวเงินทองหยองของลูกสาวลวจะายหัวปิงอยากอะไรเลยตาชีวกกนี่ก็เป็นนักบวดแต่ก่อนล่นทลายมายังไม่รู้าโลภีป็นอย่างไรถ้าจะปูกมัดเอาเป็นเขยที่น ก็จะเป็นประโยชน์ด <hi> ีอย่างเขจะเอาความสูงมันนี่แล้ววะแล้วเราพันลูกสาวเราเนี่ยเด็กเป็นหลักเกาะนายวิทก็นึกถึงไรเก็เอาซื่อกมายกลูกสาวพอซือก็มาได้ลูกสาวเดียวรอยเขาฉิอีตาอาชีวะนี่ไม่รู้วิชาทางโลกมาก่อนเลยพ่อตัวบวชแล้วแต่อ่อนจะออดแต่เล็กเป็นเป็นเป็นชีูแ้แต่เล็กแล้วไม่รู้วิชาทางโลกมาก่อนพอได้พอแต่งงานกับลูกสาวเขาลูกสาวลูกหาจีนารพัด กระโดดสูงกระโดดเตี้ยเอแสดงกายกรรมรุ่งโรจน์ต่างๆให้คนดูเป็นเดี๋ยวว่าเป็นเบี้ยทองเบียยเงินเขาบิดามารดาลลกตกเนอำ น, นาจของเมียก็น น, นอนเมียหาจินเก่งกูหาจินไม่ได้เนี่ยก็หเป็นคนกลือเมียเมียติใช้ให้ซักข้าวอ่อมบ้างักขนมบ้างอู้ข้าวบ้างวาดเรือนบ้างผู้ที่รับทัพที่นอนบ้างการเมืองบ้างงานผู้หญิงในครอบครัวทุกอย่างอาชีพคุณนี่รับทรัไปทำหมดเพราะว่างานหาจินไปหนึ่งเป็ น, ป ห, น, ห, น, ป ห, นหน้าที่ของผู้หญิงเขาละ นาทีคุณช้าก็ต้องไปงานแม่บ้านแล้วตอนนี้เอวันหนึ่งออกคู้คนแรกออกคู้คนที่สองคนที่สองยังเล็กอยู่ไกวบางเชิว้วกำลังไกวเฟลุหนุกน้อยอยู่เมียเล่น ก, กายกรรมเลยดับบานกำลังเหนื่อยนี่ข้าวอยู่ที่ไหนพี่หาอย่างนี้อาชีวกก็ชักโมโหที่มาถึงมาตวาดเราเรากำลังไกเฟลกโด น, นอยูไในครัวเลยหาที่เอาเองมันจะมาตวาดกัูละว่างั้นเท่ า, านี้แหละยดเมียแป๊กขึ้นมาแล้วด่าว่าว่าไอ้คนเนรคุณ ไม่รู้จักบุญคุณทุกวันนี้ติคุณเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนตอยู่ได้นะไม่ใช่เพราะข้าวดาแดงแกงร้อนติกูเรี่ยงดูปูเสือบ๊กรึทําไม่อาศัยกูที่ไหนมึงจะมีกินมีอยู่มีหัวมีบ้านจะทุกขหัวนอนดา่ดาด่าด่าัวอย่างนี้อาชีวะท่ำใจบอกว่าเออเรานี่นะจำยนี่เถอะมาดิเมียอย่างนี้เขาแย่ไม่เอาละวันนี้ต้องหนีคนอยู่มาได้ไม่ไหวแล้วถูกเมียปากพราอย่างนี้เขาไม่ไหวตรงนี้แน่ตรงนี้ หีเอไไว้ค ok ือนั้นหนีเมียทิ้งหูทิ้งเียหนีเจ็บเสื้อผ้าได้หนีทักเตะทะเลจองจีบดตะเวเอาไปทีเดียวจีบเวยเอาไปเขาเชี่ยวเวียนวนหาคนดับท <man> ุกว่าใครเป็นคนที่เป็นคนดับทุกข์ได้ในโลกอยู่ที่ไหนนะคนดับทุก์เนี่ยเจบาของแห่งความดับทุกขีนีมลเวทมลคัตพาอะไรสักทีจะดับทุกข์ก็เ่ว้าเขาเลยปเขาก็บอกว่ามีอยู่ที่เมืองตาวัถีวัดเชตะวันตรงไหที่นั่นเถอะมีเจ้ากำหรักคู้เป็นเจ้ากำหลักดับทุกข์อยู่ตรงนั้นดับปัญหาครอบ ใหาไปโลกใจให้ไปรักเทตวันที่มึงสาวรักถีอาชีวก็ไปถึงรักเทวตวันพอไปถึงเขาพระพิจูตุสุขแนะนำไปเจ้าผู้ติเจ้าพอเห็นหน้าผติเจ้าเขาบุกใจว่าตายแล้วท่านผู้นี้นั่นเองที่เราเคยพบครั้งหนึ่งยืนกันว่าเป็นผู้อรหันต์ตั้มาธิผู้ติเจ้าแล้วเราไม่เชื่อมันพระผู้ตเจ้าว่าไงอาชีวกในีสุเธอับมาหานะาคนอีกนะคราวนี้เชื่อหรือยังเราปอรหันตัมาผู้ติเจ้าเชื่อแล้วเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงอาเยศัอาชีวกเดยดีดวงตาเห็นธรรมขอบวช ตอนนี้ยายมียเอหัวหายแล้วชักคิดถึงสิเมื่ออยู่ตัวใระความกระดวจากหัวใช้ต่างกี่ค่าพออยู่อยู่หายไปยมันก็ว่าวเหี่ยเาเมือนมาม่มีคนใชไม่มีไม่มคนคสให้ดาได้เนยคนเล่านะลงเคยดาคว่าใครแล้วจงเคยชินถ้าคุณนนั้นเกิดมาพระไแล้วมันด้าเหงนะเคยดาเข้ า, เข า, มามันไม่ได้ดาเคยโคเข้ามันไม่ได้โคกัมันชักด้เหงที่มาแล้วตอนนี้ชักคิดถึงอนะ ตอนอยู่โ่ไม่เห็นคุณประโยชน์ไตอนตายชักเห็นคุณประโยชน์แล้ว่าเขารู้แล้วก็สะดวกอยงน้นข่าวปลาไม่ต้องิ้งี่นอนไม่ต้องปัดลูกาไม่ต้องเลี้ยงเขาทําแรพัดแทนเราหมดนี่เรา้องทำเอง้วตอนนี้คิดถึงตามถวไ่ด้พราตามจับมาให้ได้จะไปตามเรอเทานี้ก็เลยฝากผู้ฝาก้าไว้กับพ่อตัวเองก็ออกเดินทางหาเขามาตรอดถางกันว่าเห็นคนหน้าตาลักษณะนั้นมาอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเวลานี้ไปบวชแลที่วัดเฉตะวันให้โนดนางก็จะแต่งจจงไปหาถึงวัดเฉตวันไปถึงก็ ไปต่อครพบพีโตเพราะพโตเองจึงแสดงทำให้ฟังอีกกันหนึ่งเป็นระ า, านอีกบวกพี่น้ำพีนน่ตุ๊นี่ตุ๊กนี่เทั้งเนียคู่นี้เป็นประธานหมดอ่าวันนี้เขาทุกคนกับเวลาได้ช่วนน ง, งนี้ไว้จบตอนยังแค่แค่นี้ตอนสองว่าเดือนหน้าค่อยต่อเดือนหน้าที่ที่สิค่อยต่อ